อมีใครไม่เคยมาไหมมีไหมยกมือให้ดูหนะ่อยสองสามคนเองเหรอเคยฟังซีดีไหมไม่เคยมาไม่เคยเลยเหรอไม่เคยแล้วจะรู้เรื่องเหรอยากเหมือนกันนะสําหรับคนที่ไม่เคยฟังเลยแต่ถ้าฟังสักสองสามครั้งหรือเคยฟังซีดีแล้วไม่ยากเลยการปฏิบัติธรรมมันคือการเรียนรู้ตัวเองเราจะเรียนรู้ จอกระทั่งวันหนึ่งนะเราสามารถมีชีวิตยอยู่แบบไม่ทุกมีความทุกข์น้อยๆหรือไม่ทุกเลยไม่ทุกเลยนี่ค า, วารวะทำยากชีวิตของคารวะมันปนเปื้อนมากมันอยู่ที่เราจะเรียนรู้ตัวเองนะความทุกข์มันอยู่ที่กายความทุกข์มันอยู่ที่ใจเราจะเรียนรู้ลงที่กายที่ใจจอกระทั่งสามารถไม่ทุกได้กายกับใจมันทุกนะแต่เราไม่ทุกกับมันด้วย อยู่ที่ความไม่ยึดถือไม่ยึดถือแล้วไม่ทุกข์เป็นศาสตร์ที่แปลกมากศาสตร์ทั้งโลกต้องการความพ้นทุกข์ต้องการหนีทุกข์ไม่อยากเจอทุกข์าศาสนาพุทธกับสอนให้รู้ทุกข์ให้เรียนรู้ไปปัญหาอยู่ที่ไหนก็เรียนรู้มันเข้าไปไม่หนีนะคนในโลกชอบหนีปัญหาเวลากลุ้มใจขึ้นมาก็ไปดูหนังฟังเพลงกินเหล้าอะไรงี้หนีปัญหาไปถ้าไม่หนีปัญหาก็วิ่งชนเลย ไม่สามารถจะทําตัวเป็นแค่ผู้สังเกตการถ้าทําตัวเป็นผู้สังเกตการเห็นปรากฏการ์มันผ่านต่อหน้าต่อตาเราเป็นแค่คนดูไม่ได้เดือดร้อนด้วยเหมือนเราเห็นคนอื่นไม่สบายเราไม่ได้กลุ่มใจด้วยแต่พอเราเห็นว่าร่างกายเราไม่สบายเราก็กลุ่มใจเราจะสามารถฝึกจนกระทั่งเห็นกายเห็นใจอันเนี้ยเหมือนเห็นกายเห็นใจคนอื่น ความจริงมันลึกซึ้งกว่านั้นอีกขั้นหนึ่งคือเห็นว่ามันไม่มีคนเลยนี่ฟังแล้วยากนะแต่ว่าถ้ารู้วิธีปฏิบัติแล้วไม่ยากวิธีปฏิบัติก็คือรู้สึกตัวขึ้นมาก่อนสเต็ปที่หนึ่งนะรู้สึกตัวคนในโลกไม่รู้สึกตัวไม่เคยมีคนรู้สึกตัวหรอกมีแต่คนหลงคนส่วนใหญ่หลงไปอยู่ในโลกของความคิดคิดไปเรื่อยๆวันๆหนึ่งคิดรู้เรื่องที่คิดอย่างเบอร์แปดเนี้ยกาลังหลงไปคิด หลงไปคิดเบอร์ยี่สิบก็หนี้ไปคิดใช่ไหมหกสิบสี่ก็นี้ไปคิดรู้เบอร์ของตัวเองด้วยนะไม่ใช่ว่า <laughs> เรียกแล้วก็ไม่รู้ว่ายอีกนะใจมันหนีไปคิดนะั้มันไม่รู้กายไม่รู้ใจเรียกว่าเราหนีความจริงเลยฉั้นะต้องรู้สึกตัวนะสเต็ปที่หนึ่งรู้สึกตัวพอรู้สึกตัวแล้วอย่ารู้สึกอยู่เฉยๆให้คอยรู้กายให้คอยรู้ใจไป กายับใจก็จะแสดงใจรักให้ดูมันไม่เที่ยงมันมีแล้วไม่มีไม่มีแล้วก็มีมันเป็นทุกข์คือมันถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาร่างกายถูกเวทนาบีบคั้นนั่งอยู่ก็เมื่อยใช่ไหมต้องขยับยืนก็เมื่อยเดินก็เมื่อยนอนก็เมื่อยเนี่ยมันถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาหายใจออกก็ทุกข์นะหายใจเข้าก็ทุกข์ หายใจไปเรื่อย ๆ, ๆองหายใจออกอย่างเดียวสีเดี๋ยวก็รู้ว่าทุกข์ไหมเดี๋หายใจเข้าอย่างเดียวเดี๋ยวก็รู้ว่าทุกข์หมดังนั้นเราก็ขยับตัวเปลี่ยนอิริยาบถหายใจก็เปลี่ยนหายใจออกเป็นเข้าเข้าเป็นออกอะไรเงี้ยเรียกว่ามันปิดบังทุกข์ไว้อิริยาบถปิดบังตัวทุกข์ไว้ทุกข์ของกายส่วนจิตใจเราเป็นทุกข์เพราะว่าถูกตัณหาถูกความอยากเนี่ยบีบคั้นตลอดเวลา มันถูกบีบคั้นพวกเราภาวนาแต่หลวงพ่อมาช่วงหนึ่งจะเห็นเลยจิตมันถูกเค้นทั้งวันดูออกยังทันทีที่เกิดความอยากนะมันมีแรงเค้นเกิดขึ้นในใจนั้นวันๆนะมีแต่ความทุกข์แล้ววันๆมีแต่ความอยากเพราะกายนี้ใจนี้เป็นอนัตตานะเป็นอนิจจังคือมันมันมีแล้วมันไม่มีไม่มีแล้วมันมีขึ้นมาเป็นทุกขังคือมันถูกบีบคั้น เป็นอนัตตาคือมันบังคับไม่ได้มันไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงอย่างร่างกายเนี่ยมันเป็นอนัตตาแล้วจริงๆมันเป็นวัตถุเป็นส่วนหนึ่งของโลกมนุษย์จริงๆนะเป็นแค่เศษทุลีชี้ผงเล็กๆในจักรวาลในโลกเท่านั้นเล็กนิดเดียวแต่ว่าไปแล้ว ม, มนุษย์เหมือนสัตว์เลี้ยงของโลกนะมนุษย์เป็นของโลกแต่มนุษย์คิดว่าโลกเป็นของฉันเมันทุเล ท, ทุเลตนะ คิดว่าโลกเป็นของเราจริงๆเราเป็นของโลกเป็นเศษขี้ฝุ่นขี้ผงอยู่นะร่างกายนี้ไม่นานหน้าตาในห้องนี้คไม่เกินร้อยปีก็ต้องคืนใช่ไหมคืนร่างกายนี้ให้โลกไปงนั้นร่างกายนะไม่ใช่ตัวเราเพราะมันเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุยืมโลกเข้ามาใช้ชั่วคราวถึงวันหนึ่งก็ต้องคืนนี่บางคนก็หวงนะ ยืมเข้ามาใช้แล้วไม่รู้ว่าของเราไม่ไม่รู้ว่าเป็นของยืมมาคิดว่าของเราอยากให้มันอยู่นานๆอยากให้มันมีความสุขตลอดไปซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ร่างกายเนี้ยร่างกายมันถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาร่างกายวันหนึ่งต้องแตกสลายไปเมื่เราไปอยากในสิ่งซึ่งเป็นไม่ได้นะมันทุกข์มากขึ้นอีกทุกข์ทางใจเขาเนี้ยเราเห็นความจริงว่าร่างกายเนี้ยมันยืมเข้ามาใช้นะวันหนึ่งก็แตกสลายไปรู้ความจริงอย่างนี้ไม่ทุกข์ ร่างกายนี้จะแก่จะเจ็บจะตายจิตไม่ถูกไปด้วยส่วนจิตใจก็เป็นอนัตตาเหมือนกันร่างกายเป็นอนัตตาเพราะมันเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุจิตใจมันเป็นอนัตตาในอีกมุมหนึ่งในมุมของการที่ว่ามันไม่อยู่ในอำนาจบังคับอย่างจิตของเรานะั้นมันทำงานทั้งวันทั้งคืนดูออกไหมใครที่ฝึกมาช่วงหนึ่งนะไม่กี่วันก็เห็นแล้วละ่ะจิตมันทำงานทั้งวันทั้งคืน ห้ามมันไม่ได้บังคับมันไม่ได้ดูออกไหมมันทางานเองเบอร์รอยสาดูออกหมทำของมันทั้งวันนะอย่างเบอร์เบอร์ก้าอย่างเงี้ยหนีไปคิดเนี่ยหนีของมันเองนะมันก็ไปของมันเองใจมันไหลไปถลําลงไปนะเบอร์9กเห็นหมใจหนีไปแล้วใจลอยโบราณเรียกดีนะใจลอยนี่มันลอยขึ้นข้างบนเลยนะลอยไปใจมันทำงานได้เอง บังคับมันไม่ได้เพราะงั้นมันเป็นอนัตตาหมายถึงว่ามันไม่อยู่ในอำนาจบังคับของเราในาการที่เรามาคอยเห็นกายเห็นใจนะเป็นไตรไ ล, ลักษณ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะความยึดถือในกายในใจจะค่อยๆลดลงถ้าเห็นแจมแจ้งนะมันจะไม่ยึดถือเลยถ้าไม่ยึดถือเลยนะกายใจเป็นอะไรเนี่ยเราจะไม่ทุกข์แล้วทุกวันนี้กายใจเป็นอะไรนิดหนึ่งเราก็ทุกข์แล้วน้ำเกลียวหน่อยหนึ่งก็ทุกข์แล้ว เป็นอะไรนิดหน่อยก็ทุกข์แล้วคนภาวนาดีๆนะเป็นยังไงก็ไม่ทุกข์นะอย่างหลวงพ่อวันชัยเพิ่งตายไม่นานหลวงพ่อวันชัยร่างกายมันจะตายนะนอนดูมันเลยดูมันตายี่าไม่กลุ้มใจกับมันนะไม่ได้อยากให้มันไม่ตายอย่างถ้าเราเจ็บหนักจะตายเราอยากให้มันไม่ตายนะกลุ้มใจตายเลยนี่ท่านเห็นร่างกายมันตายยอมรับความจริง ว่ร่างกายนี้ถึงวันหนึ่งมันแตกสลายพยายามรับได้นะไม่ทุกข์ละเหลือแต่ความทุกข์ทางร่างกายนะจิตใจไม่ทุกขนะ์เนี่ยเราค่อยฝึกนะวันหนึ่งเราจะไม่ทุกข์อะไรเกิดขึ้นในกายในใจเราไม่ทุกข์ขนาดเกิดขึ้นกับกายใจยังไม่ทุกข์เลยแล้วเกิดกับสิ่งอื่นมันจะทุกข์ได้ยังไงทุกวันนี้เราทุกข์ไปหมดนะเพราะว่าเรายึดกายยึดใจไว้ก่อนว่านะเป็นตัวเราแล้วก็ยึดสิ่งที่แวดล้อมอยู่ว่าเป็นของเรา กายกใจเป็นตัวเราทั้ั้ลูกเมียสามีอะไรงี้ก็เป็นของเราบ้านของเรารถของเราทรัพสมบัติของเราชื่อของเราตำแหน่งหน้าที่การงานของเราของเราทั้งหมดเลยลของเราเสียไปนะก็เดือดร้อนยถ้าของคนอื่นเสียไปไม่เดือดร้อนนะเราครฝึกนะฝึกไปแล้ววันหนึ่งมีแต่ความสุขล้วนๆเลยบอกไม่ถูกว่มีความสุขขนาดไหน สัมผัสความสุขของธรรมะทีแรกนะเหมือนน้ำตาร่วงเลยนะอะไรมันจะสุขได้ขนาดนี้นสุขจนเหมือนกับทาดขันร่างกายจิตใจของมนุษย์ธรรมดาเนี่ยจะทนอยู่ไม่ได้เหมือนแทบจะแตกสลายเลยมันสุขมากนะ <S <S 1> <S 1> <S เคยมีคนคนหนึ่งชื่อพยามิลินพระเจ้ามิลินไปถามพระนักขเสนบอกเคยได้ข่าวว่าเคยได้ยินเขาพูดกันบอกว่า ถ้าบรรลุพระอรหันต์แล้วเป็นคารวาสเนี่ยต้องตายตายในวันเดียวเลยไม่ใช่เจ็ดวันนะเจ็วันเนี่ยคำผีชั้นหลังหลังลงมาอีกไอ้ตายในเจ็ดวันน่ะมันหง่แง่อยู่แล้วตั้งแต่วันอาทิตย์ถึงวันเสาร์อ่ะใครใครมันก็ตายในเจ็ดวันมันไม่ตายในวันที่แปดนี่บอกตายในวันเดียวพระเจ้ามิลินก็เลยจัดการเลยเนี่ยเนี่ยจุดอ่อนของศาสนาพุทธละ เอกซท่านนาเกษตรเลยบอกว่าถ้าอย่างงั้นนะอรหัตตผลอรหัตตะรตตะักเนี่ยนะเหมือนยาพิษแท้ๆเลยโดนเข้าไปแล้วตายเลยไม่ดีไม่ใช่ของดีของวิเศษแล้วทําไมพระอยากได้อยากตายหรือตายวิธีอื่นเขาไ้เยอะแยะไปเห็นมท่านนาเกษตท่านฉลาดนะท่านก็ตอบบอกว่าไม่ใช่ว่า อ, า ร, หอารหัตตะมักอรหัตตผลไม่ดีแต่มันเป็นเพราะว่าธาตุขันกายใจของมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยมันไม่ดีพอ มันไม่มีคุณสมบัติไม่มีคุณภาพพอที่จะรองรับสิ่งซึ่งดีงามปานนั้นไม่ใช่ว่าอรหตัรหตมรอรหัตผลไม่ดีแต่ร่างกายจิตใจของเราเนี่ยมันไม่มีคุณภาพพอที่จะรองรับสิ่งที่ดีถ้าอ่านตรงนี้นะฟังก็ยังไม่เข้าใจว่าทําไมมันจะตายถ้าลองไปสัมผัสเองจะรู้นะมันเหมือนจะตายจริงๆนะมันมีความสุขมากจรนะร่างกายจิตใจนิมนต์ไม่ไหวแต่ว่าไม่ตายหรอกนะ รีบๆไปบวชซะไม่ตายหรอกถ้าไปอยู่กับคารวาสนานๆก็คงตายเพราะมันไม่เหมาะไม่เหมาะแต่พวกเราอย่า ก, กลัวนะหน้าตาส่วนใหญ่่ะชาตินี้ไม่เป็นพระอร ห, รหันต์รอกไม่ต้องกลัวหรอกนะภ <c oughs> าพเพียรให้เต็มที่แล้วชาติต่อไปเผื่อจะได้เป็ น, นชาตินี้ได้โสดากขบุญเหลือหลายละวนะทีสารท่านบอกบุญหลายละนะได้โสดาเ <c oughs> อย่าว่าแต่โยมเลยเดี๋ยวนี้พระยังยากเลย คูบาาจารย์ท่านบอกมีพระมาเล่าแล้วบอกหลวงปู่หลอดท่านบอกว่าสมัยก่อนนั้นได้กันเยอะแยะไปหมดเลยคนน้นก็ได้คนนี้ก็ได้ใครไม่ได้นี่เฉยแหลกเลยบอกมาถึงยุคนี้นละ้วบวชกันจนแก่บนาะงทีเพิ่งจะได้โสดาเขามีนะส่วนมากบอกอินทรีย์มันอ่อนลงพวกเราอินทรียอ่อนหรือเปล่าไม่รู้นะสังเกตใจของเราเองสติเราเกิดบ่อยไหมจิตใจเราตั้งมั่นไหม เราเห็นความจริงของกายของใจบ่อยไหมถ้าสติเราเกิดบ่อยใจเราตั้งมั่นเป็นแค่คนรู้คนดูบ่อยๆเห็นความจริงในกายในใจว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาบ่อยๆก็เรียกอินทรีย์เรากล้าแข็งคนที่อินทรีย์กล้าแข็งก็บรรุเร็วเขาเรียกขีปปาปิญญาบรรรุเร็วแต่อินทรีย์อ่อนก็บรรุชา้าเรียกว่าทันทาปิญญาบรรรุชา้านี่อินทรีย์นะั้นเบื้องต้นมันอ่อนทุกคนแหละมันอยู่ที่พัฒนาขึ้นมา ฝึกจิตฝึกใจไปหัดสังเกตสภาวะไปอะไรเกิดขึ้นในกายคอยรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในจิตคอยรู้สึกเนี่ยมันจะมีสติมีสติร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกเนี่ยเรียกว่ามีสติอรู้สึกแล้วถ้าใจเราตั้งมั่นไม่เข้าไปแทรกแซงจิตใจเราตั้งมั่นเรียกว่ามีสัมม า, ส, า, มาสมาธิมันจะเกิดตัญญาถ้าจิตใจไม่มีสัมมาสามาธิใจไม่ตั้งมั่นใจไหลไป ใจไหลไปอยู่ที่อารมณ์นะจะไม่มีปัญญาเห็นไตรลักษณ์แต่จะไปเกิด น, นิมิตต่างๆแทนเช่นหลายคนเดินจงกรมนะยกเท้ายั่งเท้าเนี่ยจิตมันเป็นแนบอยู่ที่เท้าเดินไปเดินไปตัวลอยตัวเบาตัวโครงนะนั่นอาการของปีติทั้งซึ่นอาการของสมถะไม่เห็นไตรลักษณ์นะแต่ถ้าใจเราตั้งมั่นอยู่เห็นร่างกายมันเดินไปใจตั้งมั่นอยู่ทางหากนะมันจะรู้สึกทันทีเหมือนเห็นคนอื่นเดิน จะรู้สึกทันทีเลยเห็นเหมือนคนอื่นเดินเวลาเวทนาเกิดขึ้นนะถ้าใจเราไหลไปอยู่กับเวทนามันจะรู้สึกว่าเราเจ็บเราปวดหรือเราสุขเนี่ยแต่ถ้าจิตมันตั้งมั่นอยู่มันจะเห็นเลยความเจ็บความปวดเป็นอีกส่วนหนึ่งไม่ใช่จิตใจของเราหรอกความเจ็บความปวดเป็นอีกส่วนหนึ่งไม่ใช่ร่างกายด้วยมันจะเริ่มเห็นมันแยกออกไปมันอยู่ที่ใจตั้งมั่นนะถึงจะเห็นไตรลักษณ์ได้ หรือใจเราตั้งมั่นอยู่เราจะเห็นเลยความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นเหมือนคนเดินผ่านหน้าบ้านไม่เกี่ยวกับเราเดินอยู่ห่างๆด้วยเดินอยู่ไกลๆเหมือนเห็นคนผ่านนอกศาลาเดินข้างๆใจอยู่ต่างหากสังขา ร, รือความปรุงดีปรุงชั่วโลภโกรธหลงทั้งหลายมันอยู่ห่างๆเริ่มเห็นแล้วมันไม่ใช่ตัวเราเห็นไหมถ้าใจตั้งมั่นเราจะเห็นเลยสิ่งทั้งหลายมันไม่ใช่ตัวเราหรอก ตัวจิตล่ะจิตมันเป็นผู้รู้ผู้ดูมันจะไม่อยู่ห่างๆหรอกจิตเรยจะไปดูว่าจิตอยู่ห่างๆไม่ได้นะมันไม่เหมือนกายไม่เหมือนเวทานาไม่เหมือนสังขารสิ่งเหล่านั้นมันไม่ใช่จิตเวลาดูแล้วมันจะรู้สึกสิ่งเหล่านั้นเป็นเรียกงออบเจกติบเป็นสิ่งที่ถูกร <IK> ู้จิตเป็นผู้รู้ผู้ดูนั้นตัวจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูเราจะดูว่ามันอยู่ห่างๆเนี่ยไม่ได้เพราะงั้นไม่ต้องไปดูว่าจิตอยู่ห่างๆเราดูจิตมันเกิดดับไป เดียวจิตก็เกิดที่ตาเดี๋ยวจิตก็เกิดที่หูเดี๋ยวจิตก็เกิดที่ใจเกิดที่ตาเกิดที่หูเกิดที่ใจนี่เกิดบ่อยเกิดที่จมูกที่ลิ้นที่กายก็น้อยลงไปอย่างนั่งฟังหลวงพ่อพูดรู้สึกไหมบางครั้งมองหน้ามองหน้าหลวงพ่อบางครั้งตั้งใจฟังขนาดที่ฟังกับขนาดที่มองนะคนละขณะกันลองตั้งใจฟังที่จะเห็นว่าหน้าหลวงพ่อเบลอไปหน้าหลวงพ่อจะเบลอไป ขณะที่ที่มองเสียงหลวงพ่อก็จะเบลอไปฟังเสียงไม่ออกในขณะที่ฟังเสียงใช่มฟังสักพักหนึ่งสองสามคำต้องสลับไปคิดแปลความหมายของเสียงที่หลวงพ่อพูดเห็นไหมเราฟังไปคิดไปฟังไปคิดไปสลับไปเรื่อยๆนี่แหละมันจะแสดงให้เราเห็นว่าจิตมันเกิดดับได้หรือถ้าดูจิตที่เกิดดับทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ได้นะ อันนี้บางคนดูไม่ไหวดูยากเราดูจิตซึ่งเป็นกุศลบ้างเป็นอากาุศลบ้างเช่ น, ะ น, นจิตเผลอไปคิดจิตเผลอไปคิดเนี่ยมันอันหนึ่งนะพอเรารู้สึกว่าจิตเผลอไปคิดเนี่ยจิตที่เผลอไปคิดดับไปแล้วเกิดจิตที่รู้สึกรู้ว่าจะ ก, กีเผลอไปคิดนี่เป็นจิตอีกดวงหนึ่งเกิดขึ้นนี่จิตที่รู้สึกตัวเนี่ยอยู่ชั่วคราวเดี๋ยวก็เผลอไปคิดครั้งใหม่เห็นไหมจิตที่รู้สึกตัวก็ดับเกิดจิตที่ลงไปคิดใหม่ เนี like ite, ่ยเห็นอย่างนี learn, s <S hmm. ้เร <Des Coach. S 2> mm ื่อยๆนะเดี๋ยวก็หลงไปเดี๋ยวก็รู้สึกเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็รู้สึกนะถ้าพวกที่ปฏิบัติหน่อยก็มีสามัญถพวกไม่ปฏิบัติก็มีสองพวกที่ไม่เคยปฏิบัตินะหลงไปแล้วก็รู้หลงไปแล้วรู้เนี่ยถ้ามันเริ่มปฏิบัติส่วนพวกที่ปฏิบัติชํานาญพอหลงไปแล้วก็รู้แล้วจะมาเพ่งอดเพ่งไม่ได้ชอบไปเพ่งเนี่ยคนที่ไม่เคยปฏิบัตินะสบายกว่าตรงนี้แหละ แต่ว่าพอหัดรู้หลงแล้วรู้หลวงแล้วรู้สักพักหนึ่งนะก็กลับมาเพ่งเหมือนกันแหละอดไม่ได้หรอกนั้นจิตใจก็วนเวียนอยู่างเงี้ยจิต ท, ที่หลงไปก็ดวงหนึ่งจิต ท, ที่รู้สึกตัวก็เป็นอีกดวงหนึ่งคนละขณะกันจิต ท, ที่ไปเพ่งก็เป็นอีกตัวหนึ่งคนละขณะกันะเนี่ยดูมันหมุนไปอย่างเงี้ยมีแต่เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับบางคนดูจิต ท, ที่หลงไม่เป็นก็ดูจิตที่โลภก็ได้จิต ท, ที่โกรธก็ได้ะบางคนชิบโมโห โมโหตลอดเวลานะอะไรกระทบนิดนึงก็โมโหแล้วขัดใจตลอดเวลานั่งอยู่ดีๆนะแค่นึกถึงอะไรนิดนึงก็ขัดใจขึ้นมานะนั่งอยู่เฉยๆ ย, ยุงบินผ่านหน้าห่างสามเมตรยังขัดใจเลยมันยังไม่เข้าใกล้ก็โมโหแล้วถ้าเราเป็นคนขี้โมโหนะเราก็คอยสังเกตจิตจิตเรามีสองแบบจิตที่ขี้โมโหกับจิตที่ไม่ได้โมโหมีสองอันนึงเนี่ยมันเกิดสลับกันไปเลยเดี๋ยวก็โมโหเดี๋ยวก็ไม่โมโหนะถ้าคนไหนขี้โลภ อยากทั้งวันความจริงทุกคนน่อยากทั้งวันแต่บางคนมองไม่เห็นเดี๋ยวก็อยากดูเดี๋ยวอยากฟังอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากสัมผัสทางกายอยากคิดอยากนึกอยากปรุงอยากแต่งอยากปฏิบัตินี่สารพัดอยากเลยถ้าเราดูสภาวะอยากได้นะเราก็จะเห็นจิตสองอย่างจิตเดี๋ยวก็อยากเดี๋ยวก็ไม่อยากเดี๋ยวก็อยากเดี๋ยวก็ไม่อยากทาไมต้องดูคู่เป็นคู่คู่จิตหลงไปกับจิตที่รู้สึกนี่ไม่หลง จิตที่โลภกับจิตที่ไม่โลภจิตที่โกรธกับจิตที่ไม่โกรธ้าไม่ดูเป็นคู่คู่ดูเป็นคู่คู่จะเห็นไตรลักษณ์จะเห็นไตรลักษณ์แต่ละตัวไม่คงที่หรอกจิตที่โกรธก็อยู่ชั่วคราวหายไปมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้เห็นจิตที่รู้สึกตัวขึ้นมาแล้วนะแป๊บเดียวโมโห อ, อีกละห้ามมันไม่ได้ใครสังเกตนะเนี่ยจิตมันเกิดดับไปด้ยต่อไปสติปัญญามันแก่กล้าขึ้นมาใจมันตั้งมั่นขึ้นมา สติสมาธิอะไรนี่พร้อมขึม้นมามันจะเห็นชัดเลยจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมีช่องว่างมาขั้นด้วยนะมีช่องว่างมาขัน้นอย่างจิตที่รู้กับจิตที่เผลอเนี่ยควรละดวงกันเห็นชัดๆเลยขาดท่อนออกอจากกันขาดเป็นช่วงๆช่วงๆการที่เห็นจิตมันขาดเป็นดวงดวงเป็นช่วงๆไม่ใช่มีดวงเดียวทั้งวันทั้งคืนหรือทั้งชาติเนี่ยจะทําให้เราละความเห็นผิดว่าจิตเป็นตัวเป็นตนได้เราะั้นตรงที่ ตะลุยเอาให้เห็นว่าจิตไม่ใช่ตัวใช่ตัวนี้ยากที่สุดนะถ้าคนไหนภาวนาแล้วเห็นจิตไม่ใช่ตัวเรานะขันอื่นๆไม่ใช่ตัวเราอัตโนมัติเลยมันง่ายเพราะขันอื่นๆนั้นมันง่ายนิดเดียวมันเป็นของถูกรู้ถูกดูมันไม่ใช่ตัวเราอยู่ละมันดูง่ายอยู่ละแค่รู้สึกตัวขึ้นมาก็เห็นทันทีแล้วว่าร่างกายนี้เวทานานี้กุศลอกุศลไม่ใช่ตัวเราไอ้จิตนะดูยากมากเลยที่จะเห็นว่าไม่ใช่ตัวเราอันนี้ไม่ใช่ หลวงพ่อพูดเองพระพุทธเจ้าสอนไว้ท่านบอกว่าคนศาสนาอื่นคนซึ่งไม่ได้ฟังธรรมะของท่านเนี่ยบางคนนะสามารถเห็นได้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราเห็นได้แต่ไม่มีใครหรอกที่จะเห็นได้ว่าจิตไม่ใช่ตัวเราเว้นแต่ได้ศึกษาปฏิบัติธรรมในศาสนาพุทธนี่งั้นแต่ละคนจะรู้สึกจิตคือตัวเรานะทุกๆคนแหละนี่พอมีจิตเป็นตัวเราแล้วมันเกิดมิจฉาทิฐิสองพวก พวกหนึ่งคือจิตเที่ยงร่างกายตายไปแล้วจิตออกจากร่างนี้ไปเกิดใหม่เนี่ยพวกเราชอบเชื่อยอย่างนี้เยอะนะ น, นี่เป็นมิจฉาทิฏฐิชื่อว่าสัตสตทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐินะตายไปแล้วจิตวิญญาณดวงนี้ออกจากร่างไปเกิดใหม่ใครรู้จักปูเสีชวนมั้งรู้จักไหมนะมันออกจากหอยใช่ไหมออกจากเปลือกหอยอันนึงไปอยู่เปลือกหอยอยีกอันล้วคิดว่ามันปูตัวเดิมจิตของเราเนี่ยดวงเดิมแต่มันออกจากร่างนี้ไปเข้าร่างนี้ อันนี้ไม่ใช่ศาสนาพุทธนะนี่เป็นมิจฉาทิฏฐิชนิดหนึ่งซึ่งพวกเราเป็นเยอะถ้าไม่ได้ฟังธรรมะเราจะคิดว่านี่แหละเราเป็นชาวพุทธเราเชื่อเวียนว่ายไตเกิดเวียนว่ายไตเกิดของพุทธไม่ได้เวียนว่ายไตเกิดแบบปู่เสฉวนนะถอดจากร่างนี้ไปร่างนั้นแต่มันเกิดดับตลอดเวลาจิตดวงหนึ่งเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับจิตในอัตภาพร่างกายนี้เกิดแล้วดับไปเกิดจิตอีกดวงหนึ่งในร่างกายใหม่คนละดวงกันไม่ใช่ดวงเดิมแต่มันสืบเนื่องกันไป นีอีกพวกหนึ่งถ้าเห็นว่าจิตนี้เป็นตัวเราในพวกนี้มีความเชื่ออีกว่าถ้าตายร่างกายตายเมื่อไหร่จิตนี้ก็สูญไปด้วยมันสูญไปหมดเลยพวกนี้เรียกว่าอุเฉทิติทําไมพวกนี้เชื่อว่าสูญไปเพราะพวกนี้คิดว่าจิตนี้มันเกิดจากร่างกายเท่านั้นเองถ้าไม่มีร่างกายก็ไม่มีจิตพวกนี้เขามองไม่เห็นสัตว์ชนิดซึ่งไม่มีร่างกายเฉะนั้นถ้าเราภาวนาเราได้ที่พจักษุได้เจโตปริยญาณได้อะไรพวกนี้นะ ได้จูตูปปาตยานเราจะรู้เลยว่าร่างกายตายแล้วมันไม่ใช่ศูญย์สิ้นไปเลยมันมีพลังงานที่เหลืออยู่นำไปสร้างพบสร้างชาติขึ้นมาใหม่ได้อีกฉั้นคนทั่วๆไปเป็นมิจฉาทิฏฐิสองภากมันเห็นว่ามีตัวเราแน่นอนมีตัวเราอยู่แต่ตัวเราเนี่บางทีเที่ยงอมตะนิรันดร์การอีกอันหนึ่งตัวเรามีอยู่จริงๆนะแต่พอตายแล้วตัวเรานี้ศูนย์ไปชาวพุทธไม่ได้เป็นอย่างนั้นชาวพุทธเห็นว่าสิ่งซึ่งมีอยู่ในขณะนี้ก็ไม่ใช่ตัวเราล้ว ไม่เหมือนกันนะสิ่งที่มีอยู่ขณะนี้เลยตาหน้า ต, ตาตาเนี่ยเป็นสิ่งซึ่งมีเหตุก็เกิดขึ้นถ้าไม่มีเหตุก็หายไปไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวเราตั้งแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ว่าตัวเรามีอยู่แล้วก็ตายแล้วศูนย์หรือตายแล้วไปเกิดใหม่ตัวเราไม่มีตั้งแต่ปัจจุบันมันลึกซึ้งไปอีกชั้นหนึ่งนะนั้นวิธีที่จะเห็นว่าตัวเราไม่มีอยู่ในปัจจุบันนะมีสติรู้สึกตัวไปคอยรู้กายรู้ใจไปจนเห็นเลยทั้งกายทั้งใจมันไม่ใช่เราหรอก ร่างกายจิตใจนี่มันทำงานของมันได้เองทั้งวันทั้งคืนนะมันไม่ใช่เราเร า, เราสั่งมันไม่ได้บังคับมันไม่ได้ค่อยฝึกเอาหน้าฝึกไปพอวันที่มันปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจได้สนิทจริงๆนะจะพบความสุขที่มหาศาลที่สุดที่ไม่เคยพบไม่เคยเห็นนึกไม่ถึงเลยนะก่อนหลวงพ่อจะบวชนะเป็นครวาสนานทั้งสี่สิบแปดปีภาวนาเป็นมาตั้งแต่เด็กๆนะภาวนา ตั้งแต่เจ็ดกบเริ่มภาวนาแล้วจนกระทั่งมาเจอหลวงปู่ดูลถึงจะเริ่มทำมิปัสสนาอายุ29ลพ อ, พอจะรู้จักศาสนาพุทธตั้งแต่อายุ29่สกตอนนั้นก็อยากบวชนะแต่เรามีภาระเยอะเราต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อยู่ไม่ได้บวชอายุ48ถึงได้บวชแม่ตายไปเหลือแต่พ่อนะเลยชวนพ่อมาอยู่วัดซะเลยหมดเรื่องหมดราวนะ ไ, ได้บวชลนะบวชเมื่อแก่ ขโมยแต่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อยู่เราั้นในทางโลกเนี่ยหลวงพ่อรู้จักความสุขในโลกอย่างที่พวกเรารู้จักหลวงพ่อรู้จักทั้งนั้นแหลนะะตางหลวงพ่อก็มีใช้นะมีตังเหลือนะมีตังทํางานไม่กี่ปีเก็บเงินได้เป็นล้านล้านหลายล้านอนะไรเงี้ยเพราโบนัสมันเยอะโบนัสตั้งห้าเดือนเลยตอนะนั้นที่อทีนะโบนัสเยอะมากเลยตั้งห้าเดือนเดี๋ยวนี้คงไม่ค่อยมีแนละ้วมั้งความสุขในโลกนะหลวงพ่อรู้จัก ตำแหน่งหน้าที่หลวงพ่อก็ใหญ่ทํางานไม่นานนะรับราชการไม่กี่ปีเป็นชั้นพิเศษรวดเร็วมากนะออกมาเริ่มต้นงานใหม่นะไม่นานนะขึ้นไป40สิบละตำแหน่งหน้าที่ก็มีเงินก็มีชื่อเสียงเกียรติยศก็มนะีคนกลัวเลยนะครอบครัวก็มนะีอะไรๆสิ่งที่เขามีเราก็มีทั้งนั้นแหละนะเรารู้เลยความสุขอย่างนี้ความสุขของโลกโลกความสุขชั่วคราวทั้งหมดเลย ซื้อรถมาใหม่ใช่ไหมขับไปสักพักก็เก่าอีกแล้วหไหมซื้อมาใหม่ๆ ม, มีความสุขเยอะอนสักพักก็เก่าๆหรือซื้อมาใหม่ๆนะไปจอดไว้คนมันขีดไปรอบคันนะหัวใจแทบแตกสลายเลย น, <c oughs> นี่ความสุขของโลกนะมันแวบๆแวบๆมาภาวนานเราจะรู้เลยว่าความสุขในธรร ม, มนะ <c oughs> นั้นเหนือกว่ากันเยอะเลยเทียบกันไม่ได้เลยความสุขในทางธรรมะ ม, มันเสถียร น, นะ <c oughs> ความสุขในทางโลกมันสัมผัสมากเลย ความสุขในทางโลกที่สัมผัสเพราะมันอิงอาศัยสิ่งอื่นยิ่งอาศัยสิ่งอื่นเราจะต้องอยู่กับคนนี้เราถึงจะมีความสุขนะต้องได้กินอย่างนี้ถึงจะสุขต้องได้เสพอย่างนี้ถึงจะสุขมันอิงสิ่งอื่นทั้งนั้นเลยแล้วสิ่งอื่นมันอยู่นอกเหนือการบังคับมันแปรปรวนตลอดเวลาความสุขของเรานะได้มาแวบหนึ่งก็หลุดมือไปแล้วต้องวิ่งหาใหม่เป็นความสุขในธรรมะนะยิ่งเราภาวนามากขึ้นมากขึ้นยิ่งอิ่มเอิบ ดูหลวงพ่อซินี่สั ญ, ญลักษณ์ของความอิ่มเอิบรู้สึกไหม <c oughs> เรียกว่าอวบอัน่นะแบบพระเชียงแสนนะพระเชียงแสนจะตัวว้นๆหน่อยเป็นสัญญาณสั ญ, ญลักษณ์เป็นสิมโบลว่าธรรมะเนี่ยให้ความอิ่มเอิบแต่ถ้าพระสุขโทขทัยก็เป็นสั ญ, ญลักษณ์ของธรรมะนะว่าธรรมะเป็นของโปร่งเบารู้สึกไหมเราปฏิบัติธรรมแล้วใจเราโปร่งเบามากขึ้นเรื่อยๆนะ พระเชียงแสน น, นั้นยิ่งปฏิบัติเรายิ่งอิ่มเอิบเห็นไ้มรู้สึกมีความสุขมากขึ้นเรื่อยๆพระอู่ทองนี่พระหน้าสงสารหน้าตาดุๆก็เป็นสัญลักษณ์เหมือนกันว่าธรรมะต้องเอาจริงนะเอาจริงเอาจังสู้ตายนะนี่เพวกเราตอนนี้อย่าเพิ่งเป็นพระสุโขทยัยเชียงแสนนะ <laughs> เป็นพระอู่ทองซะก่อนนะต้องสู้ตายก่อนวิธีสู้ตายไม่ใช่สู้อย่างวัวอย่างไกวไม่ได้เอาแรงเข้าแรก สูด้วยสติด้วยปัญญาค่อยๆรู้สึกนะรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วรู้กายอย่างที่มันเป็นรู้ใจอย่างที่มันเป็นรู้สึกไปเรื่อยเดี๋ยวมันพัฒนาขึ้นไปเป็นพระสุโคไทยพระเชียงแสนเองค่อยฝึกไปแล้วจะพบว่าความสุขมีจริงๆในขณะที่ความสุขอย่างในโลกโลกเนี่ยเหมือนภาพลงตานั้นมีแล้วเหมือนไม่มีนะไม่มีเหมือนมีจริงมันไม่มีแต่มันเหมือนมีหลอกให้เราวิ่งหาพอได้มาแล้วอ่ะไม่มีอีกแล้ว ความสุขในโลกมันก็เหมือนความสุขของคนที่เปียะแชร์ได้ความสุขแค่นั้ น, หนแหละแวบเดียวให้ฝึกเอานะไม่ยากหรอกแต่ถ้าไม่ฝึกมันก็ไม่ได้เส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่ต้องเดินด้วยตัวเองต้องสู้ด้วยตัวเองต้องทําเอาเองหนะลวงพ่อภาวนานะพวกเรามาเรียนกับหลวงพ่อพยายามสวมหัวใจอย่างหลวงพ่อไว้หลวงพ่อภาวนาหลวงพ่อมีความอดทนสูงมากเลยภาคเพียนอดทนนะไม่เลิก ตั้งแต่เจ็ดขวบหัดทำสมถะก็ทำสมถะทุกวันไม่เลิกเลยไม่ต้องมีครูบาอาจารย์มาสั่งว่าทำนาทำนาทำไปนะโถหมดกำลังใจแล้วโถโถทำเถอะได้ปลดเอเลยดังั้นหลวงพ่อไม่มีกำลังใจให้รู้สึกไหมถ้าใครมาบอกหลวงพ่อว่าขอกำลังใจไม่ให้หลบด่าเลยอะไรมันจะโง่ป่านนั้นความทุกข์ท่วมหัวแล้วยังขี้เกียจอะไรเงี้ยดังนั้นต้องอดทนนะต้องภาคเพียรหลวงพ่อภาวนามาเนี่ยไม่ต้องให้ครูบาอาจารย์สั่ง ท่านบอกวิธีแล้วทําเลยหลวงปู่ดูลสอนอยู่สองสามประโยชนเองไม่หาครั้งแรกเนี่ยท่านสอนบอกว่าการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหะนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองสอนเท่านี้เองตั้งแต่นั้นมานะไม่ใช่ตั้งแต่วันนั้นอนะตั้งแต่ตอนนั้นมาเนะี่ยดูจิตมาเรื่อยๆดูมาเรื่อยไม่มีวันใดที่ไม่ได้ดูเลยเว้นแต่ท่องทํางานที่ต้องคิดกับตอนเผลอกับตอนหลับเวลาที่เหลือนี่ดูลูกเดียวเลย ดูมาเรื่อยๆจิตใจมันก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะพัฒนารวดเร็วเร็วเพราะเราข ย, ยันดูดูมากๆเหมือนคนทํากันบ้านมากมันก็พัฒนาเร็วฝึกไปเรื่อยเพราะฉะนั้นหลวงพ่อหนะาอดทนมากเลยในการที่จะฝึกตัวเองไม่มีขี้เกียจนะไม่มีท้อแท้ท้อแท้มีบ้างเบื่อมีบ้างไม่ใช่ไม่มีเลยไม่ใช่มนุษย์วิเศษเบื่อรู้ว่าเบื่อรู้ดูมันไปเลยขี้เกียจก็มีนะแต่ขี้เกียจก็ไม่เลิกขี้เกียจ ร, รู้ว่าขี้เกียจเนี่ย สงสัยก็มีสงสัยรู้ว่าสงสัยดูลงไปจนเห็นเลยทุกสิ่งมันชั่วคราวทุกสิ่งมันเกิดแล้วดับเนี่ยดูอย่างนี้ในที่สุดเห็นในสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับดูอย่างนี้ไปเรื่อยๆนั้นหลวงพ่อนะ้าอดทนมากเลยมีความอดทนในการปฏิบัติในการฝึกฝนตัวเองไม่ต้องให้ครูบาอาจารย์เขี่ยวเข็นอีกตัวหนึ่งซึ่งหลวงพ่อมีมากนะคือความช่างสังเกตนโยนิโสมนัสิการช่างสังเกต สังเกตการปฏิบัติสังเกตจิตใจของเราไปเรื่อยๆเป็นระยะระยะนะคล้ายๆกันสปอตเช็คเช็คเป็นช่วงช่วงไม่ใช่สังเกตตลอดเวลานะถ้าสังเกตตลอดเวลาเรียกว่าฟุ้งซ่านคอยดูเป็นระยะระยะไปนะเราภาวนาของเราเนี่ยดูสภาวะเกิดดับเฉพาะหน้านีา้แหละทําไปช่วงหนึ่งนะจิตใจมันมีอะไรแปลกๆขึ้นมามันมีอะไรแปลกๆขึ้นมาเราเอาใหม่กลับมาเริ่มต้นใหม่มารู้กายรู้ใจเฉพาะหน้าใหม่เดี๋ยวมันกลับไปเป็นสภาวะแปลกๆนั้นอีกแล้ว เข้าออกเข้าออกงนี้หลายๆทีเรารู้เลยเอยที่แปลกๆนี่มันเกิดจากอะไรเราไปพลาดเท่าที่ตรงไหนเนี่ยค่อยๆสังเกตเอานะไม่มีครูบาอาจารย์มาบอกให้หรอกเพราะอยู่ไกลแต่บางครั้งหรอกบางครั้งนะั้นถึงจะไปถามครูบาอาจารย์เพราะว่ามันไม่เข้าใจจริงๆก็มีเหมือนกันที่งงมากเลยมีอยู่สองทีนะที่เล่าเรื่อยๆนะที่ไปถามอาจารย์มหาบวัวทเองว่าดูจิตอยู่แล้วทําไมมันไม่พัฒนาขึ้นมาท่านบอกว่าที่ว่าดูจิตนั้นดูไม่ถึงจิตแล้ว ตัวไม่ถึงจิตก็คือสิ่งซึ่งหลวงพ่อมาพูดกับพวกเราในวันนี้ว่าจิตมันไปอยู่ข้างนอกอจิตมันไม่ถึงฐาน่ะมันโล่งๆมันโปร่งๆนะมันสบายนะมันไม่ถึงฐานอีกทีหนึ่งต้งช่วยตัวเองไม่ได้เลยนะนั่งภาวนาแล้วจิตมันรวมตลอดเลยรวมแบบหลับไปเลยเดินจงกรมก็หลับนะนั่งขัดสมาธิซึ่งเจ็บแสนเจ็บยังหลับเลยจิตมันหลับวูบลงไปตลอดเวลาแล้วหลับแบบหัวซุกหัวซุนซึ่งเราไม่เคยเป็น สติของหลวงพ่อเราฝึกมาแต่ตั้งเจ็ดขวบนะมีสติรู้ลมหายใจไม่ให้มันเคลิ้มนะสติเรากล้าแข็งแต่ว่าทําไมช่วงนั้นนั่งแล้วหลับตลอดอย่างเงี้ยไม่รู้จะทํายังไงหลายเดือนเป็นเดือนเดือนขึ้นไปถามหลวงปู่สิมนะหลวงปู่สิมตอบบอกว่าอย่าสงสัยเลยไม่ทําไปเถอะนั่นไม่ได้คําตอบเลยนะแต่ท่านบอกอย่าสงสัยเลยเพราะท่านบอกว่าอย่าสงสัยหลวงพ่อก็เชื่อครูบาอาจารย์นะไม่ค้นคว้าหาคําตอบแล้วลนะ่ะ ท่านบอกให้ภาวานาไปมึงหลับก็ภาวนางมึงไปอย่างนี้แหละะดูไปดูไปนะอีกวันหนึ่งเท่านั้นใจเริ่มถอนขึ้นมานะเพราะว่าเราเป็นกลางกับมันเห็นไหมรู้อย่างเป็นกลางนะจิตถ้าไม่ติดอยู่ในสภาวะนั้นถ้าเรารู้แล้วไม่เป็นกลางมันถึงจะติดถอนถอนถอนขึ้นมาอปิงขึ้นมาเลยอ๋ออย่างนี้เองเง้นบางทีก็ต้องอาศัยครูบาอาจารย์แต่ว่าอาศัยน้อยนะอาศัยความช่างสังเกตของเราให้มากพวกเราต้องช่วยตัวเองให้มาก ธรรมะที่หลวงพ่อสอนพวกเราเนี่ยหลวงพ่อสอนธรรมะเพื่อให้พวกเราพึ่งตัวเองได้นะไม่ใช่สอนให้พวกเราต้องพึ่งหลวงพ่อตลอดกาลนั้นวันหนึ่งหลวงพ่อก็ต้องมีอยู่ตามธรรมดาของาธาตุของขันหรือพวกเรายังอยู่ต่อไปหรือต้องรักษาสืบทอดศาสนาต่อไปนั้นสิ่งที่หลวงพ่อถ่ายทอดให้นะคือวิธีปฏิบัตินะสังเกตไหมหลวงพ่อสอนบอกให้รู้กายให้รู้ใจกับเวลาที่คนส่งกันบ้านรู้สึกไหมมันเป็นเรื่องแปลกๆสารพัดเลยไหม ทำไมรู้กายรู้ใจแล้วเกิดสภาวะอะไรตั้งมากมายเดี๋ยวภาคสองลองฟังดูใช่ไหมเวลาคนส่งกันบ้า น, นสิ่งที่มาส่งกันบ้านกับสิ่งที่หลวงพ่อสอนน่ะมันคนละอันกันรู้สึกไหมมันไปรู้ไปเห็นสภาวะอะไรที่แปลกใหม่เฉพาะตัวขึ้นมาแต่ว่ามันอยู่ในหลัก น, นั่นเองถ้จับหลักแม่นแม่นนะไม่ว่าสภาวะอะไรเกิดขึ้นก็ผ่านได้ทั้งหมด น, นั้นสิ่งที่หลวงพ่อถ่ายทอดให้น่ะคือหลักของการปฏิบัติน่ะ ถ่ายทอดให้หมดสิ้นนะไม่มีสงวนรักษาเลยไม่กลัวว่าจะเอาวิชาความรู้ของหลวงพ่อไปหากินนะไม่กลัวเลยมีมกันนะมันเอาไปหากินนั้นไปหลอกลวงคนก็มีมันแต่มีน้อยนะส่วนมากก็มุ่งเอาความดับทุกข์จริงๆต่อไปนี้เชิญไปทานข้าวแปดโมงเดี๋ยวรอบสองตรวจกันบ้าน